อเมื่อกี้พระอาจารย์สุลินก็เปิดเทปพระอาจารย์ใบสายเนาะพระาาอาจารย์ใบสายบอกว่าพวกเราอมาอยู่ป่าตัวโตตั ว, ต ว, ตวนึงก็เหมือนกับเราหนีหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะหนีร้อนมาพึ่งเย็นใช่ไหม อ, อันนี้มันมันทําไมต้องหนีร้อนมาใช่ไหมเพราะในทางโลกมันมันมีมีไฟนะมีไฟอยู่เขาเรียกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหเะเนาะ อันี้ถ้าเราเรามีธรรมะบ้างแล้วนะจะรู้สึกว่าทางโลกเนี่ยมันร้อนใช่ไหมมันร้อนด้วยไฟราคะโทสะโมหะ น, นี่แหละมันก็เผาตลอดเวลาทำว่าเรามีความทุกข์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นความทุกข์ใช่ไหมอ่าอะไรเราเห็นโอ้โดนไฟมันเผามันก็มีความทุกข์ใช่อ่าความโลภความโกรธความหลงเนาะความโกรธเนี่ยมันก็มีความทุกข์ใช่ไหมบางคนไม่รู้นะชอบโกรธนะ บางคนไม่รู้โกรธเก่งๆโกรธบ่อยๆเนี่ยดีใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเป็นเป็นความทุกข์ใชแต่เราเห็นว่าความโกรธนี่มันมันเป็นไฟนะอ่ามันเป็นความร้อนเนี aine, ่ยเราโกรธใครเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าอ่าเราโกรธใครเราไม่ทุกเราโกรธใครมีความสุขมันมันไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมเราโกรธใครเนี่ยตัวเราเองเป็นคนมีความทุกข์ใช่ไหมหรือใครมาโกรธเราใช่ไหม คนที่โกรธเราก่อนนะเขาก็เขาด่าเรานะเขาก็บาปบาปสวนนะครั้นี้เขาด่าเราเราก็โกรธเขาก็ไปด่าเขากลับเราบาปสองสองต่อนะมันคือหลวงพ่อกำเขียนเทศเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราเราโกรธคนโกรธที่หลังนะเราโกรธได้ใช่ไหมโกรธได้เหมือนกันนะแต่เราจะไปด่าเขากลับตอาเราด่ากลับเกาเท่าบาปสองเท่าใช่ไหะ มั น, ม, นมันก็มีแต่ความทุกขนะ์นะด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ไฟนะตอนนี้เมื่อไฟข้างนอกมันร้อนก็มาอยู่วัดะมาอนีร้อนมาพึ่งเย็นนะเย็นก็อาศัยธรรมะนี่แหละอืมจากพระพุทธเจ้าจริงๆพระเจ้าท่างเทศเราฟังทุกวันนะอพระเจ้าเนี่ยสแสดงธรรมเทศเราฟังทุกวันเลยตอนไหนรู้ไหมตอนทำวัดนั่นแหละ ตอนธมวัดนี่แหละก็คือคำสั่งสอนของพระเจ้าใช่ไหพระเจ้าจแสดงคำเรื่องต่างๆเนาะอย่างบางทีก็แสดงบงคลสูตรบ้างทำมาจากบ้างใช่หหรือพระสูตรต่างๆเยอะๆนะนะที่เราสวดไปเนี่ยติลัคนาธิคาถายโยอริยสัตถ์อริยธนคคาถายโยพัทเทกรักตตะโอวาสภาติโมหรือนะเมื่อเช้าก็สวด นะักวัติิงสาให้เพียนานายนีนะ้เป็นของตัวปกใช่ไหมมีผมขนเล็บฟันหนังตอดเอ็นลำไสนะ้หัวใจตับม้ามนะเลือดน้ำเหลืองอุจนะจระปับาวะเนาะหรือเราเห็นทำต่างๆใช่ไหมเห็นทำต่งนะางๆกาลยานามิตรบ้างหนะนะาษาัษณสูตรบ้างใช่ไหมต่างๆเ น, ะ น, นี่อันนี้คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเราทุกวันเลยธรรมชาติท่านสอนเราทุกวันนะตอนธรรมเช้านะชาติปีตุกขาชราปีตุขามรณะปีตุขังนะความเกิดความแก่ความตายเป็นความทุกข์นะการประสบการความโศกความลำเลียงลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแขนใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็มีความทุกข์ ความพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทูปความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทูปว่าโดยย่อประทานขันทั้งห้าเป็นตัวทูปเนี่ยพระเจ้าท่านสอนแล้วทุกวันเลยบางบางบา ง, บางทีเราสวดไปแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่เข้าใจอ่าบาที่บางคนสวดบาลีนะอ่าบางบางวัดเนี่ยจะสวดบาลีไม่ได้สวดแพรไทยเลยอ่าสวดบาลีจริงๆแนละ้วคําสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เรามีความเข้าใจใช่ไหมอ่า เมื่อเราสวนแล้วเราเข้าใจคําสอนของพระเจ้าไหมพระเจ้าสอนไว้เยอะมากเลยในชะ่ไหมหรือแม้แต่ธรรมจักเนี่แหละตอนที่อาตมาไปที่พุทธคยาทินเดียนะา จ, จะมีมีกลุ่มคนไทยเนะี่ยหรือว่าอาจจะเป็นปชาติอื่นก็ไม่น่าใจนะแต่คนไทยเนยเยอะสวดธรรมจกักกันเยอะมากเลยแต่เป็นภาษาบาลีนะสวนเป็นภาษาบาลีนะหรือว่ามัตพรวะวัฒน์ไทยของไทยนี่ก็สอนเป็นบาลีกัน จริงๆถ้าว่าไม่รู้เข้าใจความหมายหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าทาที่พระพุทธเจ้าสอนต่างๆเนี่ยคือท่านท่านสอนเนี่ยต้องการให้เราเข้าใจนะแต่เราไม่เข้าใจก็กลายเป็นสวดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพื่ อ, อความขลังหรืออะไรทนอง น, นั้นก็ไม่ไม่ถูกทางใช่ไหมแต่ถ้าเราสวดด้วยความเข้าใจนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ธรรมจกักแล้วเราสวดด้วยความเข้าใจเนี่ยเราก็เกิดปัญญาใช่ไหมเกิดปัญญาเห็นความจริงนะในเรื่อศักศิ์สิทธ์ทุกสมุดไทยนโิโรธมัชนั่นก็คือ ถึงที่พระเจ้าสอนเราแล้วเราเข้าใจเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ใช่ไหมรวมทั้งครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราตลอดใช่ไห ม, ม, มาลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่เทียนหลวงพ่อเขียนพระอ า, า, าจารย์เทศสารครูบาอาจารย์สอนเราตลอดเลยในชะ่ไหมพอเราเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนแล้วเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญสตินะบางทีเราหยุด ว, ว่างไม่รู้ทําอะไรไฟก็เข้ามาอีกแล้วนะถ้าใครอยู่ ว, ว่างไม่รู้ทําอะไรไฟเข้ามาอีกแล้วไฟคือราคะโทสะโมหะนี่แหละ เราไม่ต้องไปออกทางโลกแหละกับมันหาเราเองใช่ไหมพออยู่ว่าไม่รู้รทําอะไรมันก็ใจก็พุ่งสร้างนะใจเลิเปิดเปิงใจลอยนะแล้วก็คิดหลงไปในทางโลกแนละ้ว่าตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอตอนนี้ถ้าอยู่บ้านไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่คงสนุกดีเนา ะ, ะมันก็ไหลไปแล้วนะ น, นี่คือไฟอยู่วัดก็เจอไฟไฟในใจเรานี่แหละมันก็ตามมา ตามมาจากอะไรตามมาเพราะเรารู้ไม่ทันความคิดรู้ไม่ทันอารมณ์รู้ไม่ทันความปรุงซ่านรู้ไม่ทันใจของเราเองใช่ไหมมันก็เกิดไฟขางนม้นนะไฟมันไม่้เกิดทางตาหรือหูจมูกลิ้นอย่างเดียวแต่มันเกิดทางใจได้ถ้าเกิดทางใจทันจะตรายนะะถ้าพลาไม่ไปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเกิดทางใจขึ้นมาแล้วมันทนไม่ไหวมันจะร้อนรุ่มร้อนรุ่มมากใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้สึกมันก็ คือมันเรามีงานทําให้ใจมันทำใช่ไหมการรู้สึกตัวในืเมตสิกมันเป็นเป็นงานให้ใจทํำพอใจก็มีงานทำเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะใช่ไหมไม่คิดอะไรเยอะเขาก็อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับสติเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาก็มีความสุขมีมีมีความอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมความอยู่ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้คิดถึงอดีตถึงอนาคตก็อยู่ได้ก็มีความสุขใจก็ล่มเย็นนะมีสติมันก็ใจก็ร่มเย็นเพราะว่าคิเลสมัคือความโลภความโกรธความหลงก็เข้ามา ครอบําไม่ได้นะเข้ามาครอบําก็รู้ทันก็น้อยแล้วก็ออกไปก็หมดไปนาะในใจก็ร่มเย็นร่มเย็นเพราะนั้นอยู่วัดก็มีความล่มเย็นเหมือนที่อาจ า, ารย์ไมตรนบอกหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะไม่ใช่หนีร้อนมาหรือใจร้อนอันนี้มันไม่ได้ร่มเย็นนะทั้งเราอยู่วัดต้องใจเย็นๆไอ้ต้องมีความร่มเย็นในใจก็คือต้องมีให้ใจมีงานทํานะอะถ้าไม่ปฏิบัติทำก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําอะไรก็ได้กวาดพื้นก็ได้ถูพื้น ทำอะไรสักอย่างให้มีงานทำแล้วก็มีเจริญสติในตัวนี่ก็ทำให้ใจลมเย็นได้น่ะเราจะมีความสุขในการอยู่วัดเจมตัวเรา